งมาจากตัวเขาเองเพราะความเคารพของเขาพอเพราะความเลื่อมใสของเขาพอความนับถือของเขาพอความเกรงกลัวของเขาพอความเชื่อถือของเขาพอมันพอหมดก็มาจากเขาด้วยมาจากหลวงปู่มั่นด้วยพลังของหลวงปู่มั่นด้วยพลังกิดของเขาที่เลื่อมใสด้วยมันสมดุลกัน ความเต็มใจความเต็มใจของเขาความเต็มใจของเขากับความกับศรัทธาของเขามันก็อันเดียวกันกับความเชื่อของเขามันก็อันเดียวกันกับความเคารพรักของเขาทั้งรักด้วยทั้งเคารพกด้วยทั้งเชื่อด้วยมันสมบูรณ์หมดมันไม่มีสิ่งที่บกพร่องในมนุภาพเขาเขาก็เกิดปีติขึ้นยินดีขึ้น จตก็รวมเลยมันเป็นพุทธานุสติอยู่ในตัวมันเป็นธรมมานุสติอยู่ในตัวมันเป็นสังขานุสติอยู่ในตัวมันเป็นกามาภระเจกุศลอยู่ในตัวมันเป็นปูญยาพิสังขารอยู่ในตัวมันเป็นอเนียนชาพิสังขารอยู่ในตัว เพราะไม่หวั่นไหวอำนาจของความเชื่ออำนาจของปัญญาสัมปยุตอำนาจของสติสัมปยุตมันพร้อมกันหมดมันไม่มีสิ่งที่บกพร่องในจิตของเขา พลังสมดุลกันปัญญาก็สมดุลกันศรัทธาก็สมดุลกันความเชื่อศรัทธาปีติความอิ่มใจความพอใจสมดุลกัน จิตก็ลงเป็นหนึ่งมันเป็นกายวิเวกเป็นจิตวิเวกเป็นอุปธิวิเวกอยู่ในตัวเป็นพลังอยู่ในตัวเพราะศรัทธาพอ เดินไปก็เบากายเบาใจจิตใจก็โปร่งโล่งหมดหว่างว่างจากสิ่งที่จะมารบพวนอำนาจของความปีติยินดีอำนาจของความพอใจก็อันเดียวกัน อำนาจของสติอำนาจของปัญญาอำนาจในขณะจิตที่อยู่หัวต่อในโลคุตระจิตมันจะข้ามปุทธชนคนหนามันเป็นโคตรภูรยานอยู่ในตัวโคตรภูรยานคือยานค้อบโคตโคตอะไร ก็คือโคษของผู้ตุชนคนหนานั่นเองมันจะข้ามไปจะข้ามไปหาโลกุตระมันอยู่ในระหว่างหัวต่อขณะจิตเขาเป็นอย่างนั้น เขาขึ้นสู่โสดาปฏิมาเพราะความเชื่อเขาพอความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงค์ที่สัมปยุทธด้วยปัญญาไม่ใช่ญาณวิปยุทธญาณสัมปยุทธตัง สัมพยุดด้วยปัญญาจะเรียกว่าศีลอบรมสมาธิก็ถูกจะเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาก็ถูกจะเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็ถูกในเวลาเขาเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาก็ถูก จะเรียกว่าสินสมาธิปัญญาของเขาสัมปยุตกันในขณะเดียวก็ถูกสัมปยุตตะปัจจัยุสัมปยุตตะมันเป็นปัจจัยไปในทางกุศลจิตใจเขาขึ้นสู่โลกุตระกุศลก็ถูกไม่ใช่โลกิยกุศล ความเห็นของหลวงปู่ตัดสินอย่างนั้นจะถูกหรือผิดก็มอบให้แก่พระธรรมหลวงปู่ไม่ยืนยันให้พระธรรมเป็นผู้ยืนยันเอาให้พระธรรมเป็นผู้ตัดสินหลวงปู่ไม่ตัดสินแต่ความเห็นของหลวงปู่เป็นอย่างนั้นเป็นคือล ตามความเห็นของปู่เองนะคะอย่างเวลาญาติโยมไปหาหลวงปู่มั่นนี่แล้วมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันไหมครับรู้สึกเหมือนกันรูน้สึกอย่างนั้นเหมือนกันความเกรงกลัวก็พอความเคารพ ก, ก็พอความรักก็พอความเชื่อก็พอไม่มีสิ่งที่จะสงสัยในเวลาที่อยู่กับองค์ท่านมันนึกในใจว่า เมื่อองค์ท่านมีชีวิตยอยู่ทั้งรอดปีกว่าตามใครตายก่อนตายหลังก็ต้องเห็น่านคราวนี้มันไม่มีอุบายนึกจะหาอุบายนี้จากองค์ท่านสักทีเลยถึงจะหนักจะเบา ท่านจะฟันเจาะฟันเสียมแรงหรือค่อยก็ตามท่านจะตีเหล็กค่อยหรือแรงก็ตามมอบให้เป็นเรื่องของช่างของช่างเหล็กไม่เป็นหน้าที่ของเหล็กจะไปผูกมัดรัดลึงขอรช่างเหล็กอย่าตีข้าพเจ้าแรงนะ ย่าเผาข้าพระเจ้าแดงนักไม่เป็นหน้าที่มันไม่สงสัยเสียแล้วพอใจอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนตื่นอยู่ด้วยสติด้วยไม่เสียดายในเรื่องกินเรื่องหลับ <c oughs> การเปงเราจะไม่ได้กินมากดื่มมาก เกงเราจะไม่ได้ใช่ของหรูหรูดาหลาเกงเราจะไม่ได้หลักมากเกงเราจะไม่มีผู้นับถือหรือดีไม่มีในเวลานั้นมันเสียสละมันเองไม่ได้ต้องบังคับเกรงว่าจะไม่ได้นอนตามอําเภอใจ เกรงว่าจะไม่มีผู้นับถือเป็นพิเศษเกรงว่าจะไม่ได้จีวรอันประณีตเกรงว่าจะไม่ได้อาหารอันประณีตเกรงว่าเพื่อนองค์อื่นจะได้ปัจจัยสี่รู้ากว่าตนมันไม่มีในคันทะสันดานในเวลาอยู่กับองค์ท่าน เรื่องจะถ่ายผ้าจีวรไม่เป็นเรื่องของเราผดีรียงเพราะเราเชื่อเชื่อคูบาและอาจารย์และมูเพื่อนและเชื่อหลวงปู่องค์ท่านมีตามอบให้เป็นเรื่องของท่านผู้อื่นเวลาแจกอาหารไม่เป็นห่วงในบาท ครูบาอาจารย์ท่านไม่ใส่ให้แล้วก็ไม่เป็นกังวลพอใจที่สุดไม่ได้เป็นกังวลหวาดบาดของตนในเวลาฉันเอ๊ะอันนี้น่าอร่อยมากจะมีผู้แก่กให้เราหรือไม่มันไม่มีในภาหาลิไท มันพอใจเต็มทีข้าวเราจะเอาไว้เพียงไหนขนาดนี้เท่านั้นสมัยนั้นอายุสามสิบข้าวเหนียวเนี่ยอายุสามสิบกว่าเอาไว้แล้วก็ไปจัดแกงทางอื่นช่วยครูบาอาจารย์และมูเพื่อนไม่ได้เป็นกังวลกับบาทของตน มันเป็นเองไม่มีใครบังคับจะไปทำข้อวัดล่อไม่ได้ข้อวัดส่วนตัวก็ให้ได้ข้อวัดส่วนรวมก็ให้ได้ข้อวัดของครูบาอาจารย์ก็ให้ได้ ข้อวัดกุติวัดก็ให้ได้เวะวัดก็ให้ได้ชันตาวัดก็ให้ได้เดินโยกม์ภาวนาส่วนตัวก็ให้ได้ไปทำแต่ข้อวัดหลอกหน้าถามภาวนามาได้ความองค์ท่านก็เทไม่ใช่ของง่าย อ, อึดอาด อ, อ, อยู่กับองค์ท่านมาได้ลูกปู่มหากรงนั้นกัน ปรัเพียวที่สุดถ้าท่านปารบว่าอย่าอย่าไม่ไม่ถึงสามคติดกันแล้วฝืนไม่ได้ต้องเขารพบต้องปฏิบัติตามถ้าฝืนก็ถูกไล้หนีเลย หลวง ป, ปู่มหาก็เหมือนกันหลวง ป, ปู่ม่นก็เหมือนกันในไตลูกพธาตุองค์ท่านไม่ไห้ใจใครเลยไม่ไม่คุ้นเชื่องกับใครเลยผู้อยู่กลชิดก็ยิ่งเขกเพราะจะเอาเป็นเขียงของหมู่เพื่อน ผู้อยู่ใกล้คิดก็ต้องเหมือนเขียงของเน่าก็ฟักหรือเฉือนลงที่นั่นปลาสดปลาแห้งอะไรก็เฉือนลงที่นั่นธรรมดาจอมปวกดินที่ไหนแข็ง ก็เป็นหน้าที่ของผู้มีกำลังจะขุดลงไ้แรงดินที่ไหนอ่อดก็เป็นหน้าที่จะขุดค่้อยไม่เป็นหน้าที่ของจอมปลวกจะไปสู้กับจอบกับเสียมใครนึกอย่างนั้นก็อยู่กับองค์ท่านได้ถ้าไม่นึกอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้ อินอินอยู่กับหลวงปู่มหาเป็นยังไงถามท่านดุไหมถ้าเราทำถูกท่านก็ไม่ดุถ้าเราทำผิดท่านก็ดุแต่ว่าท่านดุสิ่งไหนเราก็จำไว้อย่าให้ดุอีกคุณอินมันตอบถูก ถ้าท่านกล่าวอะไรถ้าไม่ได้กล่าวด้วยความพูดมากหรือเป็นบ้าลมท่านพิจารณาเสียก่อนท่านจึงกล่าวตอนไหนที่ท่านบอกว่าเราทําผิดก็อย่าไปขอแบ่งก็ต้องยอมผิดเรื่องกับเราไปข้อแบ่งมันก็ต้องผิดทีนี้ ตอนไหนที่ท่านบอกว่าถูกแล้วเราก็จำไว้ไม่เป็นปัญหาหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่มหาก็ดีมีเมตตากรุณากับพุทธบริษัทยิ่งใหญ่ไพศาลตรงกับคำที่พญา ปันเนอนฝันนิมิตฝั น, ฝ, น, นฝันว่านา้ำาสกลางแต่ขุนทางขอฝันว่าน้ำาสขอแต่ขุนกลาง ไปกาบเท่าทุนถวายพระบรมศาธดาพระบรมศาธดาแก้ว่าผู้ที่ปาลกไม่ไผ่ละสนอโสตแต่ว่าจิตใจเป็นธรรมก็คือน้ำใสกลางขนขอบพระบรมศาธดาแก้ ในพยาประสีนน้ำไซขอบขุนกลางก็หมายความว่าพูดจาไยเราะแต่จิตใจไม่เป็นธรรมเพราะมีเล่เหลี่ยมและมายาทีนี้น้ำไซทั้งกลางด้วยไซยทั้งขอบด้วยการปารถก็ไยเราะสนอโสดและจิตใจก็เป็นธรรมด้วย มีสามสถานยุกล้มหลวงปู่มั่นในวัดถ้ามีพระองค์ใดไปพูดเรื่องลาศิกขาให้องค์ท่านฟังหรือให้ท่านได้ยินท่านก็ต้องไล่หนีเลย ที่นี่ไม่ใช่ที่ปรึกษาจจลาสิขาใครจจลาสิขาก็าหาอุบายออกจากนั่นไปเที่ยวไปลาสิขาทางอื่นมีพระมีเนีนลาสิขาในวัดขององค์ท่านในยุคบันพองรือไม่มีเลยพระเนีนทะเลาะกันต้องไล่หนีทั้งสองคน เราไม่ใช่สารไต่สวนไม่ใช่สารตัดสินที่ปฏิบัติไม่ใช่จะมาทะเลาะกันใครทะเลาะกันต่างคนก็ต่างเคหลบไม่กล้าทะเลาะกันอุบายนี่เก่งมากลกูกลูกปู่ ม, มนันไปพาไปชำระฝ่ายพระปกครองเราเป็นฝ่ายปฏิบัติไม่ชำระดอกหนีนี้น ท่านบอกอย่างนั้นสิ่งที่ควรปารบก็มีสิ่งที่ไม่ควรปารบก็มีในยุคลงปุ่มั่นสิ่งที่ไม่ควรปารบก็ถ้าปารบออกก็กระเทือนโลกพระตึงเกินไปโลกจะถือว่าตึงเกินไปแต่ว่าตึงเกินไปในขั้นของเรา ก็เป็นพอใช้ได้ในขัง้งพุทธการถ้าย้อนมากก็ยิ่งเร็วมากในขัง้งพุทธการถ้าถือว่ามัชฌิมาปฏิปทาในสมัยของเราทุกวันนี้ในขัง้งพุทธการก็คงพอใช้ได้พอใช้ได้เท่านั้นละ่ะถ้าถือว่าตึงเกินไปในสมัยปัจจุบันก็คงจะ พอดีในข้างพุทธการยกกุทาหอนเช่นพระโกและลิวิสเดินจงกรมจนเท้าแตกเรียกว่าตึงเกินไปพวกเราไม่ค่อยจะมีใครเดินจงกรมจนเท้าแตกนอกจากจะไปชนสดุดเท่านั้นอัตตะกิรามุาานโยกในข้างพุทธการ อดอาหารจนคุ้มผมขุนคุ้มขนหลน่นเรียกว่าอัตตะกิเล ม, มโยกมัฐานุโยกนอนขวากนอนน้ำนอนอังไ ฟ, ย, งไฟย่างไฟย่างไฟภาคอีสานเรียกว่าย่างจึงถือว่าอัตตะกิเล ม, มัถานโยก การอดอาหารเพื่อปฏิบัติในสมัยทุกวันนี้ไม่ได้ถือว่าอัอตกิรัมฐานุโยคถือว่าการทรมานตนเองบางท่านก็อดอาหารเจวันบ้าสิบห้าวันบ้า ง, างเพื่อจะทรมานตนเองบางท่านสอดเข้ามาว่าคือดงกควัตทุกประการเป็นอัตกิรัมฐานุโยค พระบรมศาสนาบอกแล้วว่าเป็นสายกลางเพื่อขูดเกล็กิริเหมือนอาบนะ้ำเหมือนสงนะ้ำเพื่อต้องการให้เหมือไครออก Ini apa lagi? Ini apa lagi? Ini. ถ้าภาวนาถูกก็อนิสง์เท่ากันถ้าภาวนาไม่ถูกก็ไม่มีอนิสง์เท่ากันคำว่าวันมาฆะเหตุไฉนท่านจึงตั้งเป็นวันมาฆะขึ้นมีความหมายอย่างไรวันมาฆะก็ดีวันวิสาขะก็ดี เรียกว่าปูชนียสถานเป็นวันที่ควรระลึกถึงวันประสูติวันตรัสสรุวันปรินิพพานในมาฆะาในวิสาขะในมาฆะเป็นวันปรงอายุสังขารควรระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังกัปคุณบ้างควรถวายบูชาด้วยอามิตและปฏิบัติบ้บบาง เจเจอาจารย์ทั้งหลายก็เลยผูกว่าอัจายังมาขะปุณนณีก็ดีอัจายังวิสาขะปุลณีก็ดีวันนี้เป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันที่ควรระลึกถึงพระบรมาศาสดาทรงทาสังเวชเพื่อระลึก ถ, ถึง เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอยู่ในตัวแต่วันอื่นจะสมมุติเป็นวันมาฆะและวิสาขะได้หรือไม่มีปัญหาสอดเข้ามาอีกถ้ า, ากว่าผู้ใดมีภาวนาปฏิบัติศีลธรรมอยู่ทุก วันทุกเวลาก็เป็นวันวิสาขะและมาคะอยู่ทุกๆวันมีความหมายอย่างนั้นเฉพาะอัตโนมัติของหลวงปูน่นี่แต่ว่าจะถูกหรือผิดก็มอบให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายตลอดถึงพระภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาที่มานี้พิจารณาเอาเองเถิด หมคืนอีกเหมือนกันนี่เฉพาะมะติของหลวงปู่นี่ปู่คะเอ่อที่ที่บ้านหนองผือนี่เอ่อเวลาวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยนะฮะเอ่อมีมีเวียนเทียนหรือมีอะไรมีง g a มีเวียนเทียนแบบสำหรับเอ่อญาติโยมหรือสำหรับพระเนรอ เข้าใจแล้วพอถึงวันวิสาขะหรือมาขะก็ดีหลวงปู่ฟันไม่ได้มารวมด้วยหลวงปู่อ่อนไม่ได้มารวมด้วยพระมีมติว่าหลวงปู่มั่นมีมติว่าใครอยู่ที่ไหนก็ต้องพาเขาทําที่นั้น พระถ้ามาแล้วเขาก็ว่าวิจำพวกพุทธบริษัทถ้าจะดึงเข้ามาก็เป็นเรื่องพลึงพึงพืชถ้าดึงเข้ามารวมกันองค์ท่านไม่ได้ดึงมาแต่องค์ท่านพาทำวันนั้นเป็นวันสำคัญพอถึงสามทุ่ม องค์ท่านก็ลงมารวมที่ศาลาญาติโยมบ้านน้องผือก็เข้ามาดูวยพระในวัดก็ลงไปรวมที่ศาลาจุดตะเกียงเจ้าพายุเพราะมีตะเกียงสองดวงในสมัยนั้นหมดวัดมีตะเกียงสองดวงไฟฟ้าไฟแถนไม่มีละ เรื่องไฟฟ้าก็ไม่มีเบื้องต้นองค์ท่านก็ฮากราบพระตามธรรมดาอิทิปิโสสวกาตนะโมอิทิปิโสสวกาตโตแล้วก็บุตรทวรหันตา จนถึงทุติตติกาเยจบแล้วสัางกเทศองค์ท่านเทศเองท่านสมมุติรับศีลให้เขาพระก็ลงไปรวมกันหมดพระอยู่ในวัดนั่นพระอยู่ในวัดที่องค์ท่านรับไว้ไม่เกินยี่สิบอง ทั้งตาประขาวทั้งพิษุสมัมมาเนรก็อยู่ในระหว่างยี่สิบตาประขาวก็ไม่เกินสามสี่คนตาประขาวพระขาวทักแก่ๆทั้งนั้นเป็นผู้ชายที่นี้องค์ท่านก็เทศเทศเรื่องพุทธประวัติ วก็เลยเทศเรื่องศีลเทศเรื่องสมาธิเทศเรื่องปัญญาในวันเช่นั้นก็หกทุ่มก็เลิกกันท่านก็พา เ, เรียนเทียนเหมือนกันแต่ท่านให้ พระอาจารย์มหาเป็นผู้นำว่าอัชายังมาฆะปุณณีอัชายังวิสาขะปุณณีมาฆะนักขเตนะตามที่เคยได้ยินมานั่นเองปุณณจันโดพอเวียนเทียนจบแล้วท่านกเทศดังที่กล่าวมาแล้วนี่เอง เมื่อเลือกกันแล้วก็วันเช่นนั้นเวลาออกห้องท่านก็ออกสายบ้างคำว่าสายก็ไม่จนเกินเวลาเมื่อออกห้องมาแล้ว ลูกชิดลูกหาข้อวัดของใครของมันก็ขึ้นไปรับเอาไม่ก้าวกลกันใครเคยเอาอะไรก็เอาอันนั้นก้าวกลกันไม่ได้สำหรับพระรับของกับองค์ท่านรับจากมือองค์ท่านท่านยืนอยู่ก็ดีอะไรก็ดีต้องคุกเขา่าคุกเข่าทาํอย่าง พอ้ับออกจากองค์ท่านจับค่อยดึงออกมาเวลาจะส่งให้ก็ส่งให้ส่งเติมค่อยส่งให้ส่งให้เวลาพระเนรจะไปจะไปใส่บาตรให้องค์ท่านท่านองค์ท่านก็พ่นหน้าดูบาตรจับสิ่งของเนี่ยก็ แปลว่าอาหารมาในบาตรของตนเป็นพิเศษบางทีนึกจะไปใส่ท่านองท่านบ้างพ่ออย่างนี้พ่ออย่า ง, น, ออา ง, น, งนี้สองหนึ่สองหมึนท่านก็ท่าน ก, ก้มหน้าอยู่จะไม่มองหน้าท่านอย่างนี้ไม่ได้อพอวางลงแล้วก็อ คอยเอามือไหวอย่างนี้เวลาท่านมีทรุระท่านพูดเกลียวกาวอยู่อันนี้ก็ไม่กวาดอันนี้ก็ไม่ปากมั น, นก็กวาดแล้วจะไปแย่งเอาคันตาบกับองท่านต้อยไม่ถูกท่า ก็ไม่ได้ขอโอกาสก็ผมจะเอาพ่อแม่โคจรเดี๋ยวพอพ่อแม่โคจารในสมัยนะั้นแล้วก็จับแย่งแย่งมือ <c oughs> จับซองเออถ้าเราทำแล้ว มันก็มาเป็นมายาชาเถืยมันมาแยกเอาแต่เราไม่ทำทำไมมันไม่ทำท้าก็พูดตามเรื่องของท่านเราไม่ต้องวิจารณ์อันนั้นแต่เราสังเกตว่าท่านจะให้หรือไม่ท่านพูดตามเรื่องของท่านเฉยเรา <c oughs> พอเรามาทำก็แยกเราแต่เราไม่มาทำก็ไม่มาทามันพิชิพิขังมันมีเล่มมีเหลี่ยมมีมายาช้าเถือ่อยท่านก็พูดตามเรื่องของท่าน เรื่องของเรามีเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องโกรธทีนี้ท่านพูดตามเรื่องของท่านเฉยๆเราจับได้แล้วเราค่อยดึงมาอย่างนี้ค่อยดึงม า, งมาถ้าท่านกำแน่นเราอย่าเอาต้องวาง <c ười> ถ้าเราดึงโดยเขาร็ดึงมาดึงมาดึงมาท่านวางท่านวางแล้วเอากว่าทีนี้อ่ะใครก็ไม่กว่าล็ที่ใต้กองฟืนนี่ล็ เราจะพากกว่าพลิกเลยพลิกคำพูดพลิกหมอนี่เลยเป็นอย่างนั้น <c oughs> ลูกผูกมันไม่ใช่ของง่ายง่าย <c oughs> บางทีหาอุบายพูดหยอกเราถ้าเราลืมตัวเราไม่ได้ท่านจะพูดหยอก พูดย่าสักเพียงไหนก็าตามเราอยู่ตามธรรมดาเป็นเรื่องของท่านท่านรองเรามีหลายเหลื่มเหมือนท่านอาจารย์มหาใครอยากเห็นหลวงปู่มั่นก็อยู่หลวงปู่มหาแล้วก็แลกกันฉันหยอกยังไงันหฮะโอบายให้เราลืมตัวพอเราลืมตัวก็เขกทีนี่ พูดเคกเลยวันหนึ่งพิ้นหน้าต่อหลวงปู่มหาท่านมหาลูกศิษย์ร้อยคนอุบายก็สอนก็ร้อยในนะเพราะนี่ใช้ต่างๆกันท่านพูดอย่างนั้นบางทีท่านก็ปลาโลบะ มีดดีพ้าดีเราฟันค่อยมันก็กินเนื้อไม้ตามค่อยเราฟันแรงก็กินเนื้อไม้ตามแรงมันไม่บิดมันไม่เบือนมันไม่บาดมันไม่หักเหล็กดีเหล็กไม่ดีฟันค่อยก็ ไม่ได้ผลฝนแรงก็ไม่ได้ผลคอยแต่จะหักจะขาด ท, าท่านมีนโยบายพูดเดือนกันนายช่างเหล็กเขาเอาเหล็กมาให้เราตีไม่เป็นหน้าที่ของเหล็กจะไปผูกมัดช่างเหล็กไว้ อย่าให้เผลอแดงอย่าให้ตีแดงนะอย่าเอาค้อนแปดปอนตีไม่เป็นหน้าที่ของเด็กเป็นหน้าที่ของช่างท่านพูดอย่างนั้นธรรมดาช่างที่ฉลาดเขาก็ต้องตีพอเป็นมีดก็ให้เป็นมีดพอเป็นผ้าก็ให้เป็นผ้าพขาไม่ต้องเฝ้าเ ต, า, เตาอยู่เฉยๆท่านพูดอย่างนั้นหลวงปู่ ม, มาหลวงปู่มาหากรมนต์กัน ถ้าตีไปยังไงจะทำให้เป็นมีดเป็นผ้ามันก็ไม่เป็นเป็นเหล็กกลนเตาข็คว้างเข้าปากฉันพูดอย่างนัน้ไม่ให้เสียเวลาฉันพูดอย่างนี้ร้อยแปดพันประการซาละพัดผู้พอใจหวังพันทุกข์ในวัฏองสารก็ถือเป็นของสนุกด้วยถือเป็นของเคารพด้วย ถือเป็นของพอใจด้วยถือว่าเป็นบุญด้วยถือว่าได้คุ้มทรัพย์ทุกวันด้วยผ่วงพลทุกในวัตตาทรงสารผู้ไปเป็นพอพิธีพิธีก็อยู่ไม่ไหวละเดี๋ยวก็นึกหาทางจะหนีละ ถึงแล้วนี่มันขึ้นอยู่กับผ่วงพ้นทุกข์ในวัฏสงสารที่ปาลบเรื่องวันน้งผืออเพราะถามจึงปาลบให้ฟังถ้าไม่ถามก็ไม่ปาลบเมื่อคืนนี่แต่ย่อนิดหน่อยพิาดาลยังมีอีก <c oughs> ย่อนิดหน่อย เสี้ยวเดียวเท่านั้นยังอยู่อีกห้าส่วนเรื่องเวทนา ถ้าเรายืนยันว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนามันก็ลำบากถ้าเรายืนยันว่าถ้าเราไม่ยืนยันว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเมื่อเวทนาทุกมาเราก็ไม่ติดอยู่ในทุกเมื่อเวทนาสุขมาเราก็ไม่ติดอยู่ในสุขเมื่อเวทนาอุเบกขาเกิดขึ้น เราก็ไม่หัดให้ติดอยู่ในอุเบกขาวิธีลบเวทนาก็ต้องลบอย่างนั้นถ้าไปยืนยันว่าเวทนาทุกข์ก็เป็นเราเราก็เป็นเวทนาทุกข์จิตใจของเราก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นถ้าเราไปยืนยันว่าเวทนาสุขก็เป็นเราเราก็เป็นเวทนาสุขเนี่เมื่อเวทนาสุขนั้นทัดภาพไปเราก็ดิ้นรนอีกเหมือนกัน ถ้าเราไปยืนยันว่าเวทนาอุเบกขาก็เป็นเราเราก็เป็นเวทนาอุเบกขาถ้าเป็นถ้าอุเบกขานั้นหายไปเวทนาสุขก็ดีเวทนาทุกข์ก็ดีเวทนาอุเบกขาก็ดีก็อยู่ใต้อัมรตอันนี้จังผูกขาดแล้วนถ้าเราไปยืนยันว่าเป็นเราเวทนาใดๆก็าตามเราก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นทุกข์ด้านจิตใจวิธีลบเวทนาก็ต้องลบอย่างนั้น เราจะไปห้ามให้เวทนาอยู่ในกรรมมือของเราย่อมไม่อยู่พิจนารณาเวทนาคือสุขทุกข์และมัสุขม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็ัะก็เวทนาไม่ใช่สัมพุทธคุณตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสนาเป็นเพียงเวทนานุปัสนาเท่านั้นเวทนาทั้งสามสุขทุกข์อุเบกขาก็ดีเกิดขึ้นแล้วกว็แปรปรวนแต่สลาย ดุดหัวสีเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาพระบรมศาสด า, ศ า, ศาก็จัดว่าเป็นมารอยู่โดยตรงๆแล้วสิ่งใดที่เป็นมารเธอทั้งหลายจงรู้จักมารเสียเนึ่เวทนาทัญญาทั้งขาเนเวียญาณเป็นมารเรียกว่าขันธมารมารคือปัญจขันธ์ หมายถึงรูปด้วยหมายถึงรูปด้วยถึงรูปขันด้วยเธอทั้งหลายจองยาเย็ยยนดีในเวทนาทั้งสามเวทนาทั้งสามดุจเหมือนหัวฝีเกิดขึ้นแล้วกว็แปรปรวนและแตกสลายเดี๋ยวนี้เน่ะเราไม่ต้องการเวทนาทุกข เ้าต้องการเวทนาสุขมันเป็นของยากกับต้องการเวทนาอุเบกขาทีนี้เวทนาทุกเราไม่ต้องการที่ว่าภาวนาข้ามเวทนาข้ามเพราะเหตุใดข้ามเพราะไม่ยืนยันว่าเวทนาเป็นตนตนเวทนาเรียก ว, ว่าข้ามเวทนาถ้ายืนยันเวทนาเป็นตนตนเวทนา เมื่อทุกข์เข้ามาก็ปรารถนาหาสุขเวทนาและต้องก็ปรารถนาหาอุเบกขาเวทนาอยู่อย่างนี้มันไม่สมประสงค์ใช่แล้วเพราะสุขทุกข์อุเบกขาเวทนาไม่อยู่ในกำมือของท่านผู้ใดเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนได้แตกสลายเหมือนกันเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปมายกยักย้ายไปมาอยู่เหมือนกันมีวิธีลบอย่างนี้เฉพาะลุงปู่ ท่านองค์อื่นเขาจกว่ายมันเรื่องของใครของมันจะต่อสู้เวทนาด้วยสมถะมันไม่ไหวดอกต้องต่อสู้ด้วยิปัฒนาปัญญาจึงจะไหวสมถะล้วนๆต่อสู้ไม่ไหว อุปจารสมาธิเมื่อหมดกําลังก็ออกมาอปนาสมาธิเมื่อหมดกําลังก็ออกมาออกมาเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อํานาจอนิจจังเมื่ออยู่ใต้อํานาจอนิจจังก็อยู่ใต้อํานาจทุกขงังอ น, นัตตาเหมือนกันมีความหมายเป็นนันเดียวกัน เราจะหลบเวทนาด้วยความม่ยินยันว่าเวทนาเป็น ต, น, ตนเป็นเวทนาเวทนาก็เป็นแต่สักเวทนาเวท น, นาก็ส่งคืนให้เวทนาใจก็ส่งคืนให้ใจผู้ลูกก็ส่งคืนให้ผู้ลูกตนตามสมมติก็ส่งคืนให้ตนตามสมมติต้องไปวิธีนี้ถ้าไมไปวิธีนี้สู้ไม่ไหว ว่าเราภาวนาดูกองทุกข์พระอริยเจ้าทาั้งหลายต้องหน่ายเวทนาทั้งสาเหมือนกันสุขทุกโศมณัตโทมณัตอุเบกขาเวทนาหสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีสุขทุกโศมนัตโทมนัตอุบ เ, อเกกกอบเกาขกบาพระอริยเ จ, เจ้าเบื่อหน่ายคลายเมา ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของข้ามเวทนาด้วยไม่ยึดถือว่าเราเป็นเวทนาวะเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาจะข้ามโลกก็ข้ามอันเดียวกันไม่ยึดถือว่าตนเป็นโลกโลกเป็นตนไม่ยึดถือว่าสังขารเป็นตนตนเป็นสังขาร ก, ก็ต้องข้ามสังขารวิธีนี้ ไม่ยึดถือว่าตนเป็นอดีตไม่ยึดถือว่าเป็นอดีตเป็นตนไม่ยึดถือว่าอนาคตเป็นตนเป็นตนเป็นอนาคตก็ข้ามด้วยวิธีนี้นี่ถ้าอย่างนั้นอวิชชาตันหาก็ไม่มีวันที่จะตัดขาด เวทนาสุขก็ดีเวทนาทุ ก, ก็ดีเวทนาอุเบกขาก็ดีก็คือโลกเราดีๆนี่เองก็คือสังขารเราดีๆนี่เองก็คือนามาลูปเราดีๆนี่เองไม่ใช่พันิาพานทุกทุกก็ไม่ติดอยู่อุเบกขาก็ไม่ติดอยู่ข้ามสุขเหล่านี้ไปแล้วข้ามทุกเหล่านี้ไปแล้วทุกทุกอุเบกขาจำพวกนี้มันอิงขันทวิบาณ ไม่ใช่ฉลังคู่เบรกขาเหมือนพันิพา ถ้าสําคัญตนว่าเสวยเวทนาสุขถ้าสําคัญตนว่าเสวยเวทนาทุกข์ถ้าสําคัญตนว่าเสวยอุเบกขามันก็ไม่มีวันจะข้ามเวทนาทั้งสามได้เนี่ยเพราะเรายัางยึดถืออยู่ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลทีนี้อวิชชาตัณหาอุปทานก็ซ้ำประยุต์อยู่ในที่นั้นอีก กรรมก็สมม ต, ออ ต, มมตออิอยู่ในที่นั่นอีกเหตุก็สมมติอยู่ในที่นั่นอีกพืชก็สมมติอยู่ในที่นั่นอีกผลก็อยู่ในที่นั่นอีกเพราะผลเชื่อมจากเหตุของเวทนาของความยึดถือใครเป็นผู้รู้จักเก็บปวดก็คือสังขารนั่นเองไม่ใช่พระนิพพาน พระนิพพานมาในมาฟ้องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรดอกสังขารต่อสังขารฟ้องกันต่างคนก็ต่างติดคุกอยู่ด้วยกันทีนี้พระนิพานมาในมาฟ้องมาในมารับผิดชอบด้วย ไม่ได้มามาเขียห ม, มามลบด้วยไม่ได้มาเป็นเหตุเป็นกรรมด้วยเป็นวิบากด้วยปัญหาของของหลวงปู่ไปอย่างนี้แต่ท่านผู้อื่นจะเป็นยังไงไม่ทราบอย่างคุณบาสที่ทรมานกายเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อให้รู้ทุกข์จริงเป็นไงเพื่อให้รู้ทุกเพื่อให้รู้ความจริงของทุกเพราะรู้เพราะว่ารู้ทุกแล้วก็ <c oughs> ถ้ารู้ว่าทันมันมันวางมันเองถ้าไม่รู้ทันมันจะสมมุติปล่อยสักเพียงไหนมันก็ติดอยู่นั้นเพราะมันไม่ใช่สมมติเรื่องปล่อยถ้ารู้ทันมันมันวางเองเราลับตาอยู่อย่างนี้ถ้าลืลมเราไม่ได้สมมุติว่าเราไล่มืดหนีถ้าลืมตา เข้ามันก็เห็นมันปล่อยมันเองอันมืดนะเราลืมตาขึ้นอย่างนี้เราจะปล่อยมืดไหมเราไม่เดี่สมมติปล่อยมันหนีไปเองชั้นใดก็ดีเมื่อเรารู้เท่ามันมันก็วางไปเองเมื่อเราไม่สําคัญว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันวางอยู่ในตัวแล้ว ใครเป็นผู้รู้สึกเก็บก็เพราะสังขารรู้สึกรู้สึกก็เจ็บปวดท่านนี้ผ่าน ม, มาจบปวดด้วยหรือจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้รู้ก็ถูก เพราะศีลสมาธิปัญญาในส่วนนี้ยังเป็นสังขารอยู่ไม่ใช่มหาศีลไม่ใช่มหาสมาธิไม่ใช่มหาปัญญาเหมือนศีลสมาธิปัญญาของพระลหันศีลของสมาธิปัญญาของพระรรหันเป็นศีลที่มาอองกับเหตุกับผลเป็นศีลสมาธิปัญญาที่เหนือเหตุเหนือผลเนี่เพราะไม่มีใครยึดถือเอาเป็นเจ้าของ เช่นพอวรลมศาสนาเข้าปฐมวัชานทุติยคานตติยคานก็เข้าเป็นธรรมเนียมเฉยๆไม่ใช่ท่านจะไปยึดถือท่านเข้าในโลตตมาบัติก็เหมือนกันไม่ใช่ท่านจะไปยึดถือท่านเข้าเป็นธรรมเนียมเฉยๆ ผู้พนไปแล้วย่อไม่ติดอยู่ในอดีตย่อไม่ติดอยู่ในอนาคตย่าไม่ติดอยู่ในปัจจุบันมุตโตไทยฉบับนี้หลวงปู่มาหาแก่แล้วฉบับเดิมถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนศูนย์ฉบับเดิมแต่ว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ไม่ได้ไปบวกกับหนึ่งก็เป็นสิบไปบวกกับสองก็เป็นยี่สิบ ไปบวกกับสามก็เป็นสามสิบเป็นหมื่นเป็นแสน 100, เป็นลา้านที่นี่ก็มีการสอดสอดแทรกเข้าไปอีกเหมือนกันที่นี่สําหรับหลวงปู่เพราะหลวงปู่มั่นไม่ได้เทศอย่างนั้นผู้ที่แต่งหนังสือนั้นเป็นท่านอาจารย์มหาเสียง <c oughs> ท่านอาจารย์ทองคำทั้งสองคนนั้นก็ลาศิขาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะในเวลานั้นหลวงปู่มหาไม่ได้แต่งด้วยหลวงปู่มหากําลังปฏิบัติ ไม่ภาษาเลยหลวงปู่มหากำลังปฏิบัติสุขโจนเพราะนั่นแต่งในเวลากำลังจะทำชาันกิจฉบับต้นแต่ฉบับทุกวันนี้หลวงปู่มหาแก้แล้วแก้อออกไปหมดแล้วอ่านก็ไม่มีคำแยกถ้าจะว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ไม่ได้ เหตุที่ศูนย์มีค่าก็เพราะมีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายถ้ามีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็ต้องมีค่าไม่ว่าแต่ส้นศูนย์แหละขี้เป็ดขี้ไก่ก็มีเป็นของมีค่าเพราะมีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของต้องได้ซื้ออะไรขายหรือแต่ขอกัน <c oughs> นุ้งปูพูดอย่างนี้อืจะถูกหรือผิด <c oughs> ก็ให้นักธรรมพิจารณาเอาเองทุกๆ ท, ท่านให้มีสิทธ อันเดียวกันก็เหมือนกันก่อนเวทนาทั้งหลายที่จะมีค่าก็ก็เพราะมีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าไม่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเวทนาทั้งหลายก็เป็นหมูฆะไปเป็นเพียงสมมุติกันสุกทุกอุเบกขาตัวนั้น นัตตาทำในทางพุทธศาสนาเป็นของลึกแท้ไม่ใช่ของตืต้นๆจะว่าศูนย์ไปโดยประการทั้งปวงก็ไม่ถูกจะว่าไม่ศูนย์เลยก็ไม่ถูกเพราะศูนย์มีขอบเขตไม่ศูนย์ก็มีขอบเขตไม่เหลืงเชื่อไปหมดใครเป็นผู้รู้ที่นี่ขึ้นอยู่กับเจระญร า, ายของบุคคลจะรู้ตามเป็นจริง เขาระทับเป็นสันทิทิโกเป็นปัจจตัง ทุกทุกอุเบกขาเป็นฝ่ายสมมติดินน้ำไฟลมรุนรุ่นไม่มีวิญญาณคลองสิงมันไม่ได้สําคัญว่ามันเป็นสุขมันไม่ได้สําคัญว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ได้สําคัญว่ามันเป็นอุเบกขาทีนีิ มันไม่สำคัญว่ามันสวยอะไรสิแต่ถ้ามีวิญญาณความสิงเข้าแล้วก็สมมุติว่าเป็นเราเป็นเขาเป็ น, ปนสัตว์เป็นบุคคลเป็นของเราของเขาอันนี้เป็นของแก้ยากเหมือนกันถ้าแกไม่ถูกก็แก้ยากท่านผู้แก้ถูกก็แก้นิดเดียว เพราะความหลงเป็นผู้ผู่ถ้าปัญญาทันมันก็แก้เองแก้อยู่ในตัวนอกจากปัญญาไม่มีอะไรจะแก้ได้ ศีนก็ดีสมาธิก็ดีเพราะพลังของปัญญามากก็กลายเป็นปัญญาไปหมดกลมเกลืนกันอยู่ในตัวกลายเป็นสติกลายเป็นปัญญาไปในตัวถ้าเป็นหัวจัก ลมออกลมเข้าเป็นอัตตาหรืออนัตตาก็เป็นได้ทั้งสองทางเพราะสมมุติอนัตตาเป็นธรรมปรมาทุลมเป็นคําสมมุติอันนี้จังทุกครังอนัตตาเป็นธรรมฝ่ายปรมาทุลมลมเป็นคําสมมติ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมายกันสมมุติก็จริงตามสมมุติจะคัดค้านไม่ได้อีกเหมือนกันปรมั์ก็จริงตามปรมั์จะคัดค้านกันก็ไม่ได้เป็นแต่เพียงลึกละเอียดกว่ากันเท่านั้นสมมุติกว่าดีวิมุตติกว่าดีนี้อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดใครเป็นเจ้าของสมมุติใครเป็นเจ้าของวิมุตติเดีนี้ ถ้าหากว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของวิมุตต์ผู้ใดลดพ้นก็ต้องไปขออะตามผู้นั้นอีกเสียก่อนผมขอความลดพ้นครับก็ต้องว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าสมมุติอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดใครจะสมมุติอะไรขึ้นก็ต้องไปขอกับท่านผู้นั้นเสียก่อนทั้งสมมติก็ดีทั้งวิมุตติก็ดีก็ไม่พ้นสัพเพธมาณต า, าติทรรมั้งหลายเป็นอนาาัตตาไม่ใช่ไม่ใช่บุคคล แต่อนัตตาฝ่ายสมมติก็สอนให้รู้แล้วก็สอนให้ปล่อยคืนเหมือนกันอนัตตาฝ่ายไว่มุติก็สอนให้รู้เหมือนกันแต่ก็สอนให้ปล่อยคืนเหมือนกันจาโคปเทนิตาโคมุติอนนาอะรยอย่าได้ไปอะไรฉันพูดนะถ้าสำคัญตนว่าเป็นอันตาจริงๆก็ไม่พ่นสำคัญตนว่าเป็นอนัตตาจริงๆอยู่ในตัวทีนี้ ถ้าสำคัญตนว่าได้จริงๆก็ไม่พ้นสำคัญตนว่าเสียเหมือนกันหนูปูไปแถวนี้ด้านมิปัสนาถ้าสำคัญตนว่าเป็นอัตตาจริงๆก็ไม่พม้นสำคัญตนว่าเป็นอนัตตาจริงๆอยู่ในตัวทีนี้ถ้าสำคัญตนว่าได้จริงๆก็ไม่พม้นสำคัญตนว่าเสียเหมือนกัน หูปู่ไปแถวนี้ด่านมีศัสนาดินน้ำไฟลมแยกแยะออกทําไมแยกแยะออกเพื่อจะจะตักว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนั่นเองดินเป็นแต่สักว่าดินน้ําเป็นแต่สักว่าน้ําไฟเป็นแต่สักว่าไฟลมเป็นแต่สักว่าลมผมขนเล็ดฟันน้ำเนื้อเองกระดูกก็เป็นแต่สักว่าหลายอย่างหลายอย่างตามสมมติทีนี้สิ่งเหล่านี้น ใ, นใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของในฝ่ายสังขารก็คืออนิจจัง กิดขึ้นี่แปรปรวนนันแต่สลายทาที่ไม่เกิดไม่ดับผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือพระนิพนพานเท่านั้นพระนิพพานเป็นเจ้าของพระนิพพานไม่ใช่สังขารจะไ ป, เ ป, ไะไปเป็นเจ้าของสังขารไม่ใช่สังขารจะไปเป็นเจ้าของพระนิพพานไม่ใช่พระนิพพานจะมาเป็นเจ้าของสังขารสังขารก็เป็นจริงตามสังขาร นิพพานก็เป็นจริงตามพระนิพพานเวทนาก็เป็นจริงตามเวทนาสุขก็เป็นจริงตามสุขทุกข์ก็เป็นจริงตามทุกข์อุเบกขาก็เป็นจริงตามอุเบกขาแต่สุกทุกอุเบกขาไม่มีใครเป็นเจ้าของใชแล้วเป็นของกลางอยู่อย่างนั้นยะถาภูตังสัมมปัญญายทักทัพพังท่านทา ง, ทงหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิด ผู้รู้ตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยรุดพ้นตามเป็นจริงด้วยส่งคืนตามเป็นจริงด้วยผู้รู้ตามเป็นจริงจะยืนยันว่าผู้รู้ตามเป็นจริงก็คือเราเราก็คือผู้รู้ตามเป็นจริงก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอันนี้ผู้รู้ตามเป็นจริงก็คือเราเราก็คือผู้รู้ตามเป็นจริงถ้ายืนยันจนเป็นทิฏฐิดิ่งลงก็ไม่ถูกอีกเหมือนกัน ถ้าพูดพอรู้จักความหมายกันถูกอยู่ถ้ายืนยันจนเป็นทิฏฐิดิ่งลงก็ไม่ถูกออกเหมือนกันธรรมดาทิฏฐิถ้าดิ่งลงอันไหนแล้วเป็นอันพิษทางนั้นมีอุปทานทางนั้นมีอัตราอยู่นั้นด้วยมีอวิชชาตั้หาอุปทานอยู่นั้นด้วยอุปทานเป็นของละเอียดอุปทานแปลว่าวยึดถือ ยึดถือผู้ลู้เป็นเป็นอุปทานอันละเอียดหลวงปู่พี่ก็นาอย่างนี้ตามภาษาีิบากแต่ว่าจะถูกหรือผิดก็มอบให้พระทมถ้าถูกก็มอบให้ก็ระกับนิโรธถ้าผิดก็มอบให้ทุกข์กับสมุทย ลุงปู่ไม่รับทั้งสองเนื่อนฟังออกไหมทีนี่คับที่ผมก็ไปเล่นเพิจารณาก็ในแนวลงปู่คล้ายลงปู่พูดนะครับที่ผมไปน น, นผมไม่ อ, อ่านซื้อรายไม่ทราบผู้จงนั่นได้บอกมานอบอะไรผมจาไม่ได้นะครับมานอที่พาะคนนั้นพ<ห>ิจารณายังพจาราเป็นอยู่ตลอดเวลานะครับถูกแล้วสายมากเขาตามครับเล็ก้นี่มีแต่ก็าไปฟังเทศ ที่ลังตาเขาบอกใละสักการที่ถีละละผมก็ไม่เอ๊ะก็รู้จักไปกรรูปอย่างเดียวนะฮะเวียนนาเลยไม่ทราบอะไตอนี่เขาไม่ไม่ทราบว่าคงจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่ารูปเลยแต่กระทำนะฮะต้องผูอธิบายให้ชัดเจนเรื่องเวียนนายังไม่เข้าเข้าใจคาถามเนี่ยนี่ถามอีกตีไม่ไม่ไม่เข้าใจคาพูดได้ไปถหนังสือที่ไหนไม่ทราบนะอ่ามีมนุษย์ท่านอย่างนั้นได้ถามพุทธอเลยครับ จะระเวทะเวทนาอย่า ง, างไรนะลองท่านตอบว่าท่านตัดว่าให้มีสติอยู่กับเวทนาตลอดเวลานะครับจะได้ร่วงลองทุกข์ครับเออก็ถูกเหมือนกันอันนี้ก็ถูกไม่ไม่ผิดเมื่อมีสติอยู่กับเวทนาตลอดเวลา ก็จะไม่ยืนยันว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันจะรู้ชัดเองอันนี้ถูกแล้วเลยมันจะรู้ชัดเองของมันถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิอะไรก็ไม่ยืนยนันอะไรก็ไม่ยืนยันก็ศูนย์สิ เราก็ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์ก็ไม่ใช่เรามันกันเราจะไปยืยน ย, ยนยันเอาศูนย์เป็นเราเราเป็นศูนย์มันก็ไม่ถูกในธรรมชั้นสูง เราจะไปยืนยันเอาอดีตเป็นเราเราเป็นอดีตเราจะไปยืนยันเอาอนาคตเป็นเราเราเป็นอนาคตเราจะไปยืนยันเอาปัจจุบันเป็นเราเราเป็นปัจจุบันทําชั้นสูงมันก็ผิดอีกเหมือนกันมันก็คือตัวพบอันละเอียดตัวชาติอันละเอียดตัวอวิชาอันละเอียดตัวตันหาอันละเอียดตัวอุปทานอันละเอียดอีกเหมือนกันโลกอันละเอียดสังขารอันละเอียดนี่ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับโลกต่างกันอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือโลกนั่นเองคืออรูประโลกนั่นเองเพราะมีแต่นามีแต่ชื่อนามังไปไว้ชื่อมันนามะโลก คำว่าโลกก็อยู่เงื้อมือของอนิจจังทุกครังอนัตตาอีกเมื่ออยู่เงื้อมือของอนิจจังทุกครังอนัตตาถ้าไปยืนยันว่าเป็นเราเราเป็นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ถูกยืนยันว่าท่านผู้อื่นเป็นเป็นเวทนาสุขท่านผู้อื่นเป็นเวทนาทุกขท่านผู้อื่นเป็นเวทนาอุเบกขาก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันทำชั้นสูง เพราะเป็นทำฝ่ายลบทำชั้นสูงฝ่ายเบื้องต้นเป็นฝ่ายเขียนทำเบื้องต้นเป็นฝ่ายเขียนเมื่อเขียนพอเดียวก็ลบเพราะกระดานดำอันเดียวถ้าไม่ลบไม่มีที่เขียนอีกเมื่อเขียนอีกก็ต้องลบอีกเมื่อเกิดอีกก็ต้องตายอีกเวลานั้นมีความหมายอันเดียวกัน เมื่อได้อีกก็ต้องเสียอีกเพราะได้อามิตภายนอกไม่ใช่ได้มรรคผลนิพพานเกิดก็ดีแปลปวนก็ดีดับไปก็ดีมันก็มาพร้อมกันในขณะเดียวไม่มีอันในก่อนอันหนหลัง อันนี้จางทุกครั้งอนัตตก็ไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังก็มาพร้อมขณะเดียวกันก็ทรงอยู่ขณะเดียวกันอีกด้วยทาฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ทรงอยู่ในขณะเดียวกันอีกด้วยไม่มีอันใดก่อนอนใหลังมีอยูทกก่ทุกการทั้งสองทางฝ่ายสังขารก็มีอยู่ทุกการ ฝ่ายวิสังขารก็มีอยู่ทุกการฝ่ายที่เป็นกองน้ำรูปก็มีอยู่ทุกการฝ่ายที่พ่นจากกองน้ำรูปไปแล้วก็มีอยู่ทุกการนี่นเราจะรู้ตามเป็นจริงจะปฏิบัติตามเป็นจริงจะปล่อยวางจะรุดพ้นตามเป็นจริงหรือไม่นี่เป็นเรื่องของโยคาวิญญาผู้ปฏิบัตินี่เมื่อรู้ทันมันปล่อยเองมันมันไม่ได้สมมุติปล่อยเอง เมื่อรู้ไม่ทันมันเราจะสมมุติปล่อยมันก็เป็นสมมุติมันก็เป็นทิฏฐิบัญญัติอีกเหมือนกันถ้าเราทุรู้ทันตอนไหนตอนนั้นมันปล่อยเองมัน ถ้าเราลู้ไม่ทันเราจะสมมุติปล่อยสักเพียงไหนมันก็เป็นสมมุติเป็นทิฏฐิบัญญัติสมมติเอาแต่มันก็ขบดคื น, นสิ่งไหนที่มันรู้แล้วมันไม่ขบดคืนสิ่งนั่นถูกแล้ว สิ่งไหนที่รู้แล้วมันยังมาสงสัยอีกสิ่งนั่นต้องพิจารณาเนืองๆให้เห็นชัดให้ถึงคิดถึงเิงียงอันนั้น ถ้าหากว่าเราจะแสวงหาความสุขในขันธวิบากนนี่ในรูปขันก็ดีในเวทนาขันก็ดีในสัญญาขันก็ดีในสังขารขันก็ดีในวิญญาณขันก็ดีมันก็เป็นเรื่องปั้นน้ำให้เป็นตัวทีนี้มันไม่เจอมันไม่เจอเสียแล้วพระรูปก็ดีเวทนากดีสัญญาก็ดีสังขารดีวิญญาณก็ดีสุขก็ดีทุกอวิขาที่อิงขันธวิบาศน์อนี่ก็ดี มันก็เป็นโลกทั้งสิ้นคือโลกภายในอัตตรโลกส่วนท่านผู้อื่นองค์อื่นสัตว์อื่นเป็นพระเฮทาโลกเป็นพระเฮทาชังขานเป็นพระเฮธทาอนิจจังเป็นพระเฮทาทุกขังเป็นพระเฮธทาอนัจจาส่วนภายในนี่เป็นอัจชริธรรมของแต่ละท่านและคนก็มีความหมายอันเดียวกัน เกิดขึ้นแล้วก็แตดสลายเหมือนกันเราจะหาพระโสดาบันพระจกทาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันตในขันธวิบากมันไม่พบ นั่นก็เป็นแต่สักว่าผมนั่นก็เป็นแต่สักว่าขนนั่นก็เป็นแต่สักว่าเล็บว่าฟันว่าหนังว่าเนื้อว่าเอ็นว่ากระดูกว่าเยื่อในกระดูกว่าม้าวว่างไว้ใจว่าตับว่าฟังผืดไตปลอดไส้ใหญ่ไสน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านั่นก็เป็นแต่สักว่าธาตุินใช่แล้วนั่นก็ดีนั่นก็เสด็จนั่นก็น้องเลือดเหนือมันคนน้ำตาเปรียวมันน้ําลายน้ํามูกน้าไขข้อน้ํามูดนั่นก็เป็นแต่สักว่าธาตุน้ำใช่แล้ว น young, ples, left, them, well. ั่นก็ไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโฉมไฟที่ยังกายให้สุดโฉมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เขาอาหารไทยย้อยนั่นก็เป็นแต่สักว่าธาตุไฟเสียแล้วนั่นก็เป็นแต่สักว่าลมพัดขึ้นบ้างบนลมพัดลงบ้างตามลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็เป็นแต่สักว่าธาตุลมเสียแล้วแบ่งออกเป็นสี่พล่งทีนี้นั่นก็เป็นแต่สักว่ารูปที่บัญญัติว่ารูปขันเท่นี้นั่นก็เป็นแต่สักว่าเวทนา ความสวยอารมณ์สุขทุกผูุเบกขานั่นก็เป็นแต่สักว่าสัญญาความจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจํำผดสะพะจำธรรมารมนั่นก็เป็นแต่สักว่าสังขารปรุงแต่งแห่งกิจให้เกิดขึ้นมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาพอันแต่งกิจเสีย นั่นก็เป็นแต่สักว่าสัญญารูปะสัญญาสัทะสัญญาคันทะสัญญาลสะสัญญาปุถะพระสัญญาธรรมะสัญญานั่นก็เป็นแต่สักว่าสังขารลูปะสังขารเวทนาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณสังขารสังขารสังขาร ที่นี่หาพระสวสดาบาลในขันธวิบากไม่มีเสียแล้วทีนี่หาพระสกทาคามีในขันธวิบากก็ไม่มีเสียแล้วหาพระอนาคามีในขันธวิบากก็ไม่มีเสียแล้วหาพระละหันในขันธวิบากก็ไม่มีเสียแล้วท่านองนั้นเป็นพระสวสดาบาลสกทาคามีอ น, นาคามีอันนี้ก็พูดตามสมมุติ พอท่านพ้นไปแล้วกว็จริงตามสมมุติท่านพ้นไปเป็นตอนๆ mm. ถ้าหากันจริงๆ จ, จังมันมันไม่ได้ใช่แล้วนี่เหตุ mm hmm. er, ฉะนั้นพยายาม ก, กะ ยืนยันว่าพระลหันตายแล้วศูนย์ mm hmm. พญามกกะในขัางพุทธการใครประเทศท่านก็ไม่ลงพระมหาสารีบุตรประเทศถ้าอย่างนั้นท่านยืนยันว่าพระลหันตายแล้วศูนย์ท่านจองหาพระลหันในขั้นห้าดูสิ mm hmm. นั่นก็เป็นแต่สักว่าลูก นั่นก็เป็นแต่สักว่าเวทนานั่นก็เป็นแต่สักว่าสัญญานั่นก็เป็นแต่สักว่าสังขารนั่นก็เป็นแต่สักว่าวิญญาณไม่เห็นดอกครับมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าอย่างนั้นถ้าเธอหาไม่ได้แล้วเธอจะยืนยันว่าพระลหันตายแล้วศูญทําไมถ้ามีผู้ถามท่านท่านจะตอบยังไงพระลหันตายแล้วไปไหน เออผมเข้าใจแล้วทีนี้ถ้ามีผู้ถามกับผมจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เมติยงนั้นดับไปแล้วเออดีละดีละดีละออญญญญลจะตอบอย่างนี้ภาษาจีบตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เมติยังนั้นดับไปแล้วจะตอบอย่างนี้เออถูกละถูกละท่านก็เลยสำเร็จพลัรหันอีกด้วยพย า, ยามกะหน่พอแก้ปัญหากันแล้ว เราจะไปะหาความสุขในโลกนี่มันไม่เจอมันไม่เจอถ้าหากว่ามีความสุขในโลกอยู่ในที่นี่นั่นพระอาริยเจ้าก็ต้องมาเกิดแก่เก็บตายอกีกเพราะความสุขมันมีอยู่ในที่นี่นี่ในที่ลูกขันนามขันความทุกขในลูกขันนามขันไม่มีแท้แล้วเพราะลูกขันนามขันก็คือโลกเราดีๆนี่เอง ก็คือโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกพรหมโลกเราดีๆนี่เองนั่งหุ้มอยู่นี่โลกสวรรค์ก็อยู่นี่โลกมนุษย์ก็อยู่นี่โลกพรหมโลกก็อยู่นี่โลกสัตติระฉานก็อยู่นี่โลกเปตตวิสัยอสุรกายหรืออะไรต่ออะไรก็รวมอยู่นี่ทาข่าทำให้เป็นพระขึ้นอยู่กับจิตใจในสติปัญญา เพราะไม่ปฏิบัติเอาพบปฏิบัติเพื่อนายเพื่อคลายต่างหากไม่ใช่ปฏิบัติกรรมปฏิบัติวางปฏิบัติปร่งหาบไม่ใช่ปฏิบัติบาเบหลังหนูน ทำชั่นสูงเข้าใจนะเราจะความหมายกันนะเแต่ว่าแย่งอยู่ในใจบ้างนะคือคือแง่ในีวกมได้ครับผมเทร่ยวลงวันที่ยี่3บสองยิบสามนะฮะฟังฟังอยู่แล้วจิตมองว่าท่องไปยืนอยู่ที่สูงกว่าโลกโลกโลกคมโลกเทวดาโลกของมนุษย์นะฮะแล้วจะเห็นสภาพความจริงของของโลกต่าง คราวที่แล้วที่มาครับอัดเทศไปฟังนครับฟังๆแล้วจิตมันบอยให้ขึ้นไปดูจะมองเห็นว่าแล้วมันบอยสิว่าต้องไปดูเวทนาดูสิไงผมก็ไม่เคยรู้เรื่องดูเวทนาดูเวทนาดูทำใหม่ดูเพื่อเห็นความไม่เที่ยงแห่งเวทนาเพื่อความเห็นความเป็นทุกข์แห่งเวทนาเพื่อ เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนในเวทนาเหตุฉะนั้นจึงบอกให้ดูเวทนาเพื่อให้เห็นอย่างนั้นไม่ได้บอกให้ดูเวทนาว่าเราเป็นเวทนาสุขก็เป็นเราทุกข์ก็เป็นเราเบกขาก็เป็นเรามาให้ยืนยันอย่างนั้นมาให้ดูเพื่อจะเอาให้ดูเพื่อปล่อยในตัวว่าไม่ใช่สัรไม่ใช่บุคคลต่างหาการให้ดูมีสองมีสองแง่ ถ้าเราไปตีความหมายว่าให้ดูเวทนาให้ยึดเอาเวทนามันก็ไม่ถูกให้ดูเวทนาเพื่อปล่อยเวทนาอยู่ในตัวเพื่อให้เข้าใจความหมายในเวทนาเพื่อไม่ให้ยืนยันเวทนาว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองให้เห็นชัดนั่นเองถ้าไม่ดูชัดมันก็ไม่เห็นชัดพิ จ, จารณาเวทนาคือสุขทุกข์ได้ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่า เวทนานี่ยก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัพุทธคุณตัวตนเราเขาเรียกเวิทยานุปัสนาพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สมพุทธคุณตัวตนเราเขาเรียกจิตานุปัชนาผิจารณาทำที่เป็นกนุศลหรืออกุศลหรือต่งางๆที่เ ก, กิดกับใจว่าทำนี่ก็เป็นแต่สักว่าทำไม่ใช่สัุทธคุณตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุปัชนาสติปัฏฐานสี่กายานุปัชนาเวทนานุปัสนา จิตตาโนปัสสนาธรรมานุปัสสนาทิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี่ก็สักว่ากายไม่ใช่สมรพสัตวคนตัวตนเราเขาเรียกจิตกายานุปัสสนาสติกำหนดทิจารนาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สมรพสัตว์คนตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสสนาสติกำหนดทิจารนาใจที่เศร้าหมองหรือของแข้งเป็นอารมณ์ว่า ใจนี่ก็สักว่าอใจไม่ใช่สมุทตะคนตัวตนเราเขาเรียกจิตตาลุปรัตนาสติกำหนดที่เจริญธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลทียมเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี่ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สมุทตะคนตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุปรัตนาเพื่อจะยกเวทนาทั้งหลายขึ้นสู่อนัตตานั่นเองเพื่อจะยกกายทั้งหลายขึ้นสู่อนัตตานั่นเองเป็นธรรมชั้นสูงนี่ ทีน่นี้เมื่อพิจนาเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วอวิชชาตันหาอุปทานมันจะยกทับมาจากที่ไหนทีน่นี่มันก็ไม่ยกทับมาเพราะสติปัญญากล้าแล้วเพราะเห็นชัดเป็นปัจจคัสสิทธิพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ดีพร้อมกับขณะจิตที่นึกคิดก็ดี พร้อมกับการเพ่งเวทนาก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันก็สิ่งเหล่านี้เป็นโลกถ้าข้ามโลกเหล่านี้แล้วโลกอื่นก็ไม่ต้องพูดสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นอดีตผ่านมาย่อมจะไปเจอในอนาคตอกีกย่อมมีอยู่ในปัจจุบันเอง อดีตคืออะไรคือรูปขันนามขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขันวิญญาณที่ลงมาแล้วคือสุขทุกขเวกขาที่ลงมาแล้วก็ถูกอนาคตคืออะไรคือสุขทุกขเวทขาที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือสุขทุกขเวกขาที่กาลังทรงอยู่ในขันทวิบา มีความหมายแนเดียวกันถ้ารู้ในปัจจุบันชัดทีนี้อดีตอนาคตเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดปัจจุบันมีกําลังมากใครเป็นผู้ปัจจุบันก็คือผู้ผ่านมาจากอดีตนั่นเองเป็นปัจจุบันใครจะไปเป็นอนาคตก็คือผู้ปัจจุบันจะไปเป็นอนาคตอีก ทารุปเท่าปัจจุบันตอนใดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วอดีตอนาคตในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หายสงสัยหมดข้ามกันไปหมดข้ามโลกเลยข้ามกองนามรูปเลยเพราะไม่สงสัยกองนามรูป กองนามรูป ก, กับโลกภายนอกภายในภายใกล้ภายในไกลหยาบละเอียดประณีตก็อันเดียวกันไม่ใช่อันอื่นอวิชาผู้มาหลงก็หลงอันนี้ปัญหาความทะเยอทะยานก็ทะเยอทะยานอันนี้เพราะทะเยอทะยานจะหาสุขอยู่ในโลกหน่วยนี้หน่วยรูปหน่วยเวทนาทัญญาทั้งขานวิญญาณ น, นี้ ทำไมจิตพระอรหันต์จึงไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงก็เพราะจิตขององค์ท่านไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของธรมขององค์ท่านที่ไหลมาสู่จิตหรือจิตไหลไปสู่ธรรมก็ไม่มีไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของทีนี้มันก็เลยไม่มีพิษทีนี้สิ่งไหนที่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็ต้องมีพิษ ใครไปแต่ไปต้องก็ไม่ได้เพราะเป็นของห่วงห่วงห่วงกาโอคะโอคะคือการเพอโอคะโอคะคือพทิโขคะโอคะคือทิฐิอวิชโขคะโอคะคืออวิชฌาก็อันเดียวกันโยคะสีอาสะวะสีก็เหมือนกันกามาสะวะภวาสะวะอวิชฌาสะวะ ก็อันเดียวกันกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาก็อันเดียวกันก็พบอันเดียวกันหลายคำพูดเฉยๆดอกหลายโวหารเฉยๆแต่ว่าความหมายอันเดียวกันมีรสชาติอันเดียวกัน กายโยคะโอคะคือกามภาะวะโยคะโอคะคือพบทิฏโถโยคะโอคะคือทิฏฐิทิฏฐิที่เห็นดิ่งแล้วก็ย่อมมีอุปท า, า น, นเพราะมีเรามีเขาไปสอดแทรก ทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นแบ่งออกเป็นสี่ตอนความเห็นพระโสดาบันความเห็นพระจักธาคามีความเห็นของพระอนาคามีความเห็นของพระละหันเป็นความเห็นที่หมดเหตุผลแล้วทิฏฐิแปลว่าความเห็นนี่ความเห็นฝ่ายโลกุตละนี่มียิ่งย Orn กว่ากันตามลำดับเหมือนกันทิฏฐิแปลว่าความเห็น สัมมาวิมุตตก็เป็นทิฐิเหมือนกันสัมมาวิมุตตเป็นคำกลางสัมมาวิมุตตในพระสวรรบันก็เรียกว่าสัมมาวิมุตต์พราหลุดเป็นชันช้นๆพระสัจธราคามีนาธามมีควเหมือนกันพนระอรหันต์เป็นมหาสัมมาวิมุตตอย่างเต็มที่แล้วพ้นจากเหตุผลไปแล้วยานวิมุตตก็เหมือนกัน ยานวิมุตตกับสมาวิมุตตก็มีคุณค่าอันเดียวกันเป็นชั้นๆไปลำดับไปถึงสี่ชั้นในฝ่ายโล ก, กุตะละความเห็นชอบความปฏิบัติชอบ ทัศนานุตติยะความเห็นชอบปฏิปทานุตติยะปฏิบัติชอบวิมุตตานุตติยะพ้นชอบสมดุลกันทัศนานุตติยะเห็นชอบปฏิปทานุตติยะปฏิบัติชอบวิมุตตานุตติยะพ้นชอบหมายแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นลำดับ เป็นตอนตอนไปมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระโสดาบันเป็นทัศนานุตติยะหรือไม่เป็นปฏิปทานุตติยะหรือไม่เป็นเวมุตานุตติยะหรือไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าขาดไปเป็นตอนตอนพระอริยเจ้าพระอรหันต์เป็นทัศนานุตติยะนอกจากเหตุจากผลไปแล้ว เป็นปฏิปทานุตเตเรียนอกจากเหตุจากผลไปแล้วเป็นเวมุตตานุตตเรียนอกจากเหตุจากผลอย่างเต็มที่ไปแล้วเป็นสามีกิปฏิปันโนไปแล้วมียิ่งยอนกว่ากันจำพวกที่ภาวนาเข้าไป ถึงกุปจารสมาธิห่อเหินเดินอากาศก็ดีปรากฏในคิดในใจทะลุภูเขาก็าดีเข้าไปในอั ป, ปนาสมาธิหูมาในยินก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นโลกีหรือโลกุตระ ยืนยันไม่ได้เป็นโลกีก็มีเป็นโลกุตระก็มีขึ้นอยู่กับยานสมยุยศของแต่ละ ล, ลายบุคคลปทมชาญเป็นโลกีก็มีเป็นโลกุตระก็มีทุติยชาญเป็นโลกีก็มีเป็นโลกุตระก็มีตติยชาญเป็นโลกีก็มีเป็นโลกุตระ ก, ก็มีจะตุทธาชานก็เหมือนกันอากาส า, า, าัญจาวิญญาณัญจา ก, ก็เหมือนกันเพาะอรันดาบทอุตสกดาบทนั้น เรียบหมดแล้วปทมอาจทุตีอาจารยตตีอาจารจ์เตุศอาจาร ต, ต, ตลอดถึงเนวััญญานาสัญญาเยาตะนะก็ยังเป็นโลกียอยู่เพราะเหตุใดเพราะยานสมบัติยศต่างกันตัชชังยศยังไม่ขาดนี่อำนาจของของฌานเฉยเรียกว่าซีซีลาทัพย่าแต่ย่ายังไม่ตายไปก่อเดียวก็ยังไม่ตายจริงเดียวก็ยังไม่ตายงอกคืนอยู่ ไม่เหมือนปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรืออุปจารสมาธิของพระโสดาบัน <c oughs> พระโสดาบันสุขคิปัสะโกพระจกทาคามีสุขคโยปัสะโกพระอนามคามีสุขคโยปัสะโกพระรหัน์สุขคิปัสะโกต้องเจริญ ถึงอุปจารสมาธิก็โดินนิพัสนาเท่านั้นจังพ in oh วกนี้เดินนิปัชนาควบกันไปเลยจังพวกสุขายิปัสโกพระโสดาบันสุขายิปัสโกพระสกทาคามีสุขายิปัสโกพระอนาคามีสุขายิปัสโกอพระอรหันสุขายิปัสโกจังพวกนี้เข้าสมาธิถึงอุปจารสมาธิแล้วก็โดินนิปัสนาเท่านั้นไม่เหมือน พระสวสดาบันเ ต, ow, ตวิชโชชละพิญโยปฏิสัมพิทัพปโตพระสกทาคามีก็เหมือนกันพระอน า, าคามีก็เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันพวกเตวิชโชชละพิญโยปฏิสัมพิทัพปโตเหล่านี้มีทั้งพระสวสดาบันด้วยมีทั้งพระสกทาคามีด้วยมีทั้งพาาาระอนาคามีด้วยมีท<อ>ั้งพระอรหันต์ด้วยแต่จำพวกทุขกขเวทประตูก็มีพระพระอริายาเจ้าทุ ก, ท, กทุกชันเหมือนกัน